มีอะไรบ้างคือใจความเนื้อหาสาระของธรรมจักคือปฏิเสธปฏิปทาสายอื่นปฏิปทามิจฉาปฏิปทาทุกชนิดในโลกคือเช่นกลุ่มผู้หมกมุ้นเพล่เพลินแสวงหาความสุขในวัตถุกรามทั้งหลายอันนี้พระองค์ก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ทางแห่งความตรัสรู้ไม่ใช่ทางแห่งการดับวัตตะแล้วก็ปฏิเสธทางที่มุ่งเบียดเบียนกรรมชรูปข้อปฏิบัติใดที่มุ่งเบียดเบียนกรรมมชรูป ก็ไม่ใช่ทางคือเขามีอย่างนี้ว่าถ้าเราเทียบแบบสภาวะคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าการมัศุขัลิกานุโยคคืออะไรคือบำรุงบำรเรอภาษาทรูปแล้วถามว่าอัตตะกิละมัานุโยคคืออะไรคือเบียดเบียนภาษาทรุปอันนี้นคือความต่างเยกออกข้างแม่จันไดงสรุปใหม่นะมุ่งบำรุงบำรเรอภาษาทรูปห้าเรียกว่าการมัศุขัลิกานุโยคธา เบียดเบียนภาษาทรูปทั้งห้าเรียกว่าอัตตะกิละมัฐานโยบอาแลมะมัชฌิมาปฏิปทาละคือการรู้เหตุเกิดความดับอัตสาท า, า, าธีนวะนิสรณะของภาษาทรูปห้าเนี่ยแหละคือมัชฌิมาปฏิปทาถ้าหากว่าพูดโดยอัตตสาระแบบที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนี่ยนะทวนใหม่นะหนึ่งข้อปฏิบัติที่มุ่งบำรุงบำเรอปรนเปรยภาษาทรูปห้าเรียกว่า ก า, าการมัสุขัลเลกานุโยกส่วนข้อปฏิบัติที่มุ่งเบียดเบียนทําให้ภาษาทรูปภาตเดือดร้อนที่สุดเท่าที่จะทําได้เรียกว่าอตตะกิลามัานุโยกส่วนมัชชิมาปฏิปทาคือรู้เหตุเกิดความดับอัสาธาอาทีนวะนิสรณะของภัษายตนาหกเนี่ยนะภาษายตนาหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะอันนั้นเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา เพราะว่ามัชชิมาปฏิปทาก็คือแทงตลอดเลยจากขูจากคูสมุทรไทยจากคูนิโรจากคูนิโรถ้าขาไม่มีปฏิปทาหรืออีกในหนึ่งถ้าพูดแบบขันห้าข้อปฏิบัติที่มุ่งบำเรอขันห้าเรียกว่า <Okay. S 1> ตามมัศุขะเลกานุโยกถ้ามุ่งประทุษร้ายขันห้าทําให้ขัน 5, ห้าเดือดร้อนที่สุดเรียกว่า <Okay. S 1> อัตตะกิลมัฐานุโยกแต่ถ้าพิจารณาอสาธ า, าอาทีนวะนิสรณะ ของอุปาทานขันห้าเรียกว่ามัชิมาปฏิปทาอันนี้คือความต่างกันนะครับเรียนทุกคุณชา้าครับอยากจะให้ชัดเจนหน่อยนึงนะว่าแค่ไหนถึงจะเป็นกา ร, รมม่สุ ข, ขหรือการอนุโยคต้องมีความเข้าใจผิดเห็นผิดในเรื่องข้อปฏิบัติด้วยหรือเปล่าคบคือลักษณะว่ามุ่งประสงค์สแสวงหาว่าเนี่ยคือความสุขคือความดีอ่ะนะด้วยอานาจวิปลาดโดยเฉพาะสุขวิปลาดเนี่ย เล่นนิจจาวิปปาราตสุขาวิปปาราตกลุ่มนี้แหละเรียกว่าเป็นการมสุขาลิการุโยคซึ่งขัดจากสติปัฏฐานถ้าเราเข้าใจมัชฌิมาปฏิปทานเนี่ยที่เราจะไปแยกการมัสุขาลิการุโยงกับตากิลมัฐานุโยงไม่ค่อยยากคือสติปัฏฐานข้อปฏิบัติที่เป็นแนวอริยมรรคคือการเข้าไปวิจัยอุปาทานขันธ์ห้าหรือเข้าไปวิจัย ตาหูจมูกลิลนกายใจแยกแยะวิเคราะห์ทั้งโดยเหตุเกิดความดับรู้ว่าอะไรเป็นอาศาถ้าอะไรเป็นอาธีนว่าแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบือนนายและคลายกำหนับในสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นลักษณะของมัชิมาปฏิปทาแต่พวกกลุ่มการ ม, มาสุขันรือการนุโยกหมายถึงว่าม่งปรนเปรเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ม่งบำเรอภาษาทรูปม่งบำเรอภาษายตนาะหรือม่งบำรงบำเรอขันห้า ขณะนั้นก็เป็นลักษณะของการมัศุขลิกานุโยคอยู่แล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีทิฏฐิประกอบก็ตามไม่มีประกอบก็ตามก็เรียกว่าการมัศุขลิกานุโยคถ้ามีทิฏฐิประกอบก็เป็นพวกทิฏฐธรรมนิพานเป็นต้นตอนนี้ถ้าเป็นความพอใจในกามเท่านั้นโดยที่คือจะบอกว่าระดับแค่ไหนที่จะเป็นการบำบุงบำรุงบำเรอเพราะว่าอย่างพระโส ด, ดบาบันท่านก็ยังมีความพอใจในกามอันนั้น ท่านก็รู้มัชฌิมาปฏิปทาแล้วจะเป็นการมาสุขานิทหรือกานุโยคอีกือเปล่าก็เป็นเพราะว่าขณะนั้นท่านก็ <c oughs> คือผู้ที่เดินทางตรงจริงๆคือพระอรหันต์ผู้ที่ตรงอย่างถูกต้องโดยไม่มีผิดพลาดเลยนะไม่มีการพลาดโดยประการทั้งปวงคือพระอรหรันต์ฉันบุคคลที่เหลือเนี่ยนะระดับล่างจากนั้นลงมาก็ยังอยู่ในระดับของโดยเฉพาะการมาสุ ข, ขานิกานุโยกนี่ถือว่ายังมีอยู่ เพาว่าพูดอย่างการมสุขคาริการุโยคถ้าพูดตรงตรงเลยผู้ที่ละเด็ดขาดคือพระอนาค า, ามีอตากีร่ามัทานุโยคนั้นประกอบตนให้ลําบากก็มีอยู่บางสูตรท่าอยู่ลําบากแล้วกุศลเจริญอกุศลมันลดโพลสอนให้อยู่โดยลําบากแต่ไม่ใช่อยู่เพื่อลําบากว่าลําบากแล้วบริสุทธิ์เพราะลําบากแต่หมายคำว่าถ้าอยู่ลําบากแล้วกุศลเจริญอกุศลลดลงอย่างนี้พระองค์สอนให้อยู่โดยลําบากอันนี้สูตรนี้มี พวกเบรธีทั้งหลายที่เป็นอตากิร่มัฐานุโยคถือเอารูปเป็นประมาณไม่ได้ถือเอากุศลเป็นประมาณอย่างเช่นที่เรียกว่าที่พระ อ, องค์ตรัสว่าเมื่ออยู่เป็นทุกข์อากุศลลดลงกุศลเจริญขึ้นอันนี้พระ อ, องค์สอนเพราะว่าถ้ากุศลเจริญไปจนถึงระดับหนึ่งก็ไม่ต้องเป็นแบบเดิมอีกแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปทําตนให้ลําบากแบบนั้นอีกแล้วเช่นว่าพระเถระบางท่านเนี่ยนะ คือบางทีเขาบอกว่าพอนิ่งตั้บกรรมวิรตตกเกิดเลยอย่างเงี้ยพวกนี้จะต้องเจริญอย่างที่เรียกว่าทรมานเดือดร้อนมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าปล่อยจิตแป๊บก็เอาละท่านเหล่านี้จึงอยู่โดยความลำบากแต่ถ้าถามว่าเป็นท่าทหารแล้วจะต้องลำบากถามต้องตําเหมือนเดิมทุกเรื่องไหมทุกแง่ทุกมุมไหมก็ไม่จําเป็นเพราะว่าเป็นท่าทหารไปแล้วหรือว่าเช่นเป็นท่านนาคามีไปแล้วก็ตัดอกุศลวิรตกเหล่านี้ไปได้เรียบร้อยแล้ว ท่านในตอนแรกเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยความลําบาก ท, าที่ท่านถือทุดงอย่างในสัชชิก็ลาบากเัินนะฮะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังถืออยู่ถือตรงนี้เนี่ยด้วยเหตุผลหลายประการที่พระอรหันต์ท่านถือในสัชชิกคือถือเพื่ออนุเคราะห์เพื่อนพรหมจารีเป็นต้นเพราะพระเทระบางรูปท่านรู้เลยว่าถ้าท่านประพฤติตัวแบบนี้เนี่ยคือบางคนเนี่ยนะลูกศิษย์ท่านเยอะอย่างภาษาดิบุตรเป็นต้นเนี่ย ถ้าภาษารีบุตรมักนอนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นลูกศิษย์ตั้งห้าร้อยอย่างเงี้ยนะท่านลูกศิษย์เปล่าด้วยดิเหนะ็นไหมเพราะทุกอย่างมีคนดูอยู่ทุกคนมีคนดูอยู่หมดเพราะทั่วที่เป็นเป้าสายตาของบุคคลอื่นที่เป็นอนุสติของบุคคลอื่นก็นนคคนจะต้องประพฤติตัวให้ให้คนอื่นเอาเยี่ยงอย่างเรียกว่าอะไรนะทิฏฐานนุกติเหตุผลหลายๆประการที่พระเถระทั้งหลายท่านทําโดยที่สุดแม้แต่พระพุทธเจ้าที่ ถามบางคนเขาสงสัยว่าพระพุทธเจ้านี่ยังเหลือกิเลสอยู่หรืออย่างไรทําไมพระองค์จึงสร้างเสพเสนาอสนาอันสังกัดทําไมจึงต้องอยู่ในที่หลีกเล่นเป็นต้นจริงๆแล้วบุคคลเริ่มต้นเนี่ ย, ยการอยู่ในที่หลีกเล่นเนี่ยเหตุผลก็คือเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติได้เต็มที่จะได้เจริญกุศลได้อย่างเต็มที่ในการหลีกเล่นทีนี้ถามว่าเมื่อตรัสรู้แล้วทําไมต้องหลีกเร้นบอกด้วยเหตุผลสองประการประการแรกที่ธรรมมาสุ ข, ขวิหารธรรม ก็คิดดูนะถ้าเราอยู่คนเดียวแบบสบายๆเนี่ยนะไม่ต้องวางอะไรสักอย่างเลยนะก็อยู่แบบสบายๆเลยนะก็อย่างที่ผู้การตอนนี้สบายๆแบบนี้อ่งคนเดียวนะกายเวกอย่างเงี้ยนะก็อยู่แบบสบายๆเลยอย่างงีพูดถึงในห้องนะไม่ใช่ที่ประชุมคือธรรมดาเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็อยู่แบบสบายๆเลยใช่ไหมจะลุกจะเดินจะวางจะนั่งตรงไหนอะไรยังไงมันก็สบายไปหมดนี่ข้อหนึ่งนะสองทิฏฐานุคติ อันนี้ถ้พูดถึงพระอริยะทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อเป็นทิฏฐานนุคติว่าระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ไม่มีกิจจะต้องทําปริญญาอีกแล้วไม่มีกิจที่จะต้องละอะไรไม่มีกิจต้องเจริญไม่มีกิจต้องทําให้แจ้งถึงการ น, นั้นพระองค์ยังซ่องเสพเศนาสนะอันสงัดยังประสงค์วิเวกจะกล่าวไปยายถึงบุคคลอื่น จะกล่าวไปยายถึงเราทั้งหลายที่ยังมีบาปอากุศลที่จะไม่หลีกเร้นพันด้วยเหตุผลเหล่านี้พระเถระประเด็นที่ถามว่าพระอรหันต์บางท่านก็ยังถือในสัชชิกเป็นต้นท่านถือจริงแต่ว่าท่านไม่ได้ลำบากอะไรหรอกก็อย่างว่ามืวานนี้สนทนากันมาว่าเรามาที่นี่เนี่ยนะหลายคนก็บอกเหนื่อยไหมบอกไม่ค่อยเหนื่อยปวดเมื่อยไหมไม่ค่อยปวดทำไมเพราะไม่มีเวลาเป็นเรื่องในความปวดนั่น ไปนึกถึงแต่ธรรมะหมดนึกถึงพระพุทธคุณหมดว่าเรากลับไปถึงบ้านเนี่ยลองมันลืมพระพุทธเจ้าดูเอาเคดีนะมันจะเริ่มเก็บมาแล้วเออตรงนี้ก็ชักแย่ตรงนั้นก็ชักปวดตรงนี้ก็ชักเมื่อยตรงนั้นก็ต้องซ่อมตรงนี้ก็ต้องบำรุงอีกแล้วละ่ละอยู่ตอนนี้ก็ลืมลืมสนใจนะลืมไม่ใส่ใจเพราะว่าสุขภาพทั้งหลายความไม่สบายบางทีเนื่องด้วยมณสิการโดยเฉพาะทุกขากายแลวิญ ญ, ญาณนี้อยู่ที่มณสิการถ้ามณสิการบ่อยจะปวดบ่อยคิดถึงตรงไหนบ่อยตรงนั้นจะปวดทันทีเลย โดยที่สุดนะลองคิดถึงหน้าผากดูนะหน้าผากมันจะเริ่มตึงขึ้นตึงขึ้นตึงขึ้นแนละ้วมันต้องเอาคลายหน่อยเชื่อ <c oughs> ถ้าสังเกตดูเถอะลองคิดที่ใดที่หนึ่งนานๆอยู่นะแล้วที่นัน่นจะเริ่มปวดเลยเพราะที่นั่นมันเป็นที่ตั้งแห่งอะไร <c oughs> กายะวิญญาณอยู่แล้ว <c oughs> ทีนี้ถ้าอย่างสมมตินะเราวางแขนนี่เราบอกสบายใช่ไหม <c oughs> ลองมาคิดแต่เรื่องแขนแ่บคุณมันต้องไม่คิดเรื่องอื่นนะคิดแต่เรื่องแขนอย่างเงี้ย มันจักจะปวดขึ้นเรื่อยๆนะเอ็มชัมันชักจะปวดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะมะนุษยการการอนุภาพของมนุิการเนี่ยนะบุคคลผู้ไม่ได้อบรมกายคําว่ากายหมายความว่าไม่ได้อบรมตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะเพราะกายหมายถึงภาษาสัมผัสทั้งห้านี่ยผู้ใดไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้มาทําปริญญาบุคคลเหล่านี้ก็จะเดือดร้อนเพราะกายเหล่านี้ แต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้มานัิกานถึงสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ค่อยสนใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นผู้ชํานาญในในจิตของท่านพระอรหันต์เนี่ยท่านประสงค์จะน้อมไปในเรื่องใดก็ได้อย่างท่านจะน้อมไม่ให้ทุกขกาศยวิญญาณเกิดก็ได้ถามว่าท่านทําได้ยังไงท่านก็ไม่มานัิการทางพัญจัตวันท่านทําได้ไหมท่านทําได้อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันที่อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ พระองค์จะอยู่โดยที่ไม่เกิดทุกขะกายย่อบิญญาณพระองค์ทาได้ไหมจริงๆแล้วพระองค์ทําได้แต่ทําไมพระองค์ไม่ทําก็ด้วยกรุณาบางอย่างที่มีต่อผู้อื่นที่จะต้องไปสอนเขาจะต้องไปอะไรเวลาแบบธรรมนาทั่วๆไปนี่มันก็ลําบากอย่งว่าแต่พระพุทธเจ้ารังเกียจอิทธิปาฏิหารพระองค์รังเกียจอิทธิปาฏิหารถามว่าทําไมโดยรวมๆแล้วไม่ค่อยเกือ้อกูลต่อการตรัสรู้ทำอะไรเลย อย่างเราสังเกตเห็นในยุคนี้ชัดเลยว่าถ้าพระภิกษุรูปใดที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องอิทธิอิทธิทั้งหลายเนี่ยนะ<ม>เวลาคนไปหาท่านนะเขาจะไม่ค่อยฟังธรรมจะไม่ชอบให้ท่านเทศให้ฟังหรอกขอให้ท่านหยิบอะไรให้ก็ได้สักอย่างหนึ่งจะไปแล้วอะไปกราบไปบูชาอยู่นั่นแหละเพราะจะไม่สนใจธรรมะอะไรเท่าไหร่นั้นพงรังเกียรอิทธิปาฏิหาริย์ต่อขณะเดียวกันพระองค์ก็ใช้ต่อเมื่อมี มีเหตุการณ์สาคัญที่จะเป็นไปเพื่อสงเคราะห์เขาแต่ถ้ามีอิทธิปาฏิหาริย์อะโหสัตว์นี่ติดข้องจริงๆเลยนะติดความอัศจรรย์ติดอะไรทั้งหลายจนเลิมอริยสัตว์พระองค์จึงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์มากกว่าเพราะว่าการตรัสรู้ธรรมนั้นมีได้เพราะอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือการแสดงธรรมอย่างน่าอัศจรรย์ ที่เขาการแสดงธรรมโดยตามโอว่าตามท่ามสอนเนี่ยมันจึงเป็นไปเพื่อกําจัดบาปกําจัดกุศลธรรมทั้งหลายอันพระองค์นั้นก็เป็นผู้ที่ครอบงําวิญญาณทั้งหมดแต่ว่าไอความเจ็บปวดของพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นอโภโรหาริกคือถ้าว่าโดยชวนาจิตนะพระองค์ไม่ถูกเวทนาเหล่านั้นครอบงําเลยนะถ้าเทียบจากปุถุชนทั้งหลายหรือบุคคลชั้นล่างๆเนี่ยคือตกอยู่ใต้อํานาจของเวทนาไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรหรอก พอเวทนานั้นนนั้เกิดขึ้นก็โยนให้เวทนาหมดอ้างปวดปั้งอ้างอ้างอ้างซะจนยกให้ให้เวทนาตัวนั้นเป็นใหญ่แต่ข้าของภารยะเนี่ยท่านไม่ได้ถือเวทนานั้นเป็นใหญ่เพราะท่านมองในฐานะอะไรมองแบบทีคะนักสุดก็เวทนาเหล่านั้นไม่เที่ยงมันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา เพราะว่าเวทนาทั้งหลายอาศัยภาษะอาศัยภาษะและวภาษาอาศัยอะไรอาศัยธาตุอาศัยเช่นกายธาตุโพธะธาตุอาศัยกายวิญญาณธาตุอาศัยธาตุสามประการนี้ผัสสะเกิดถ้าผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดทีนี้แล้วธาตุทั้งหลายเหล่านี้ก็อาศัยปัจจัยต่อไปอีกนะอาศัยความแตกต่างแห่งธาตุเมื่อท่านพิจารณาสิ่งเหล่านี้ท่านก็ไม่ค่อยไปไปเดือดร้อนกับไเรื่องเวทนาไม่ให้ค่ากับ เวทนาเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นแท่ในฐานะแค่ปริญยยธรรมจริงๆแล้วเป็นแค่ปริญยยธรรมมันท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้หมดแล้วอะ่ะเมื่อท่านตัดฉันทราค้าในสิ่งเหล่านี้หมดแล้วเนี่ยท่านไม่ได้อะไรกับมันเลยเหมือนอย่างว่าเหมือนคนเคยใส่เสื้อตัวที่จะถอดทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมแต่ใส่อยู่แต่ว่ารอเวลาอีกหน่อยก็ถอดทิ้งแล้ว ถ้ามันจะเปื่อยบ้างมันจะผุบ้างมันจะขาดบ้างนี่เราจะทํำยังไงกับมันเคยไหมจะโลาะทิ้งอยู่แล้วเราไปไปมีรอยมันขูดไปนิดหนึ่งมันขาดไปหน่อยสีมันถลอกบ้างอะไรบ้างที่เตรียมถอดทิ้งอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปใส่ใจยังไงกับมัน <Okay. S 1> ก็ไม่ใส่ใจพระหันทั้งหลายเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันท่านเตรียมถอดเต็นที่แล้วท่านแต่ถ้าว่าพูดแบบภาษาไทยบอกท่านดีใจด้วยซ้ําไปถ้ารู้ว่าจะตายจริงพระพุทธเจ้านะตอนที่ลงมาายุสังขารที่ตาวานเจดีอ่ะ บอกสามเดือนตายพูดแบบไทยเลยนะสามเดือนตายพงษ์ดีใจเลยนะดีใจโสมนัสเราหมดภาระรู้เลยว่าจบวันนั้นดีใจเต็มที่เลยโสมนัสมากว่าไอการตัดสินใจตายเนี่ยไม่ใช่มีใครมามีอำนาจนะไม่ได้เกรงกลัวมารอะไรสักอย่างเลยไม่เกี่ยวะนะแต่ว่าได้เหตุอันสมควรแล้วว่างั้นได้ปัจจัยพร้อมหรือพระทหารทั่วๆไปอย่างพระส า, ารีบุตรปกว่าเราไม่ได้เป็นยินดีในความเป็นอยู่แต่ว่ารอก รอความตายเหมือนอะไรเหมือนคนที่ทํางานเสร็จแล้วรอรอเวลาเลิกงานก็รอเวลาเลิกงานคืองานของท่านคือกิจในการประพฤติอริยศักด์เนี่ยท่านทํากิจเหล่านั้นเสร็จแล้วแล้วก็เมื่องานเสร็จแล้วก็ไรแต่เวลาเวลามันยังไม่หมดใช่ไหมแต่งานเนี่ยหมดแล้วแต่เวลายังไม่หมดสมมติว่างานเนี่ยมันเสร็จตั้งแต่บ่ายสองเนี่ยแต่ว่าเขาต้องตามชื่อออกก่อนนะก็ต้องตั้งรอเวลาตามเชื่อ เวลาเซ็นชื่อเจอได้ออกแค่นั้นเองแต่ของเราทั้งหลายนะกําลังสมัครงาน <c oughs> อ, อกําลังสมัครงานนะ <c oughs> ก็ตอนนี้พุทธังสารนังคาชามีนี่สมัครงานใช่ก็ต้องมาดูว่าทำ <c oughs> เรื่องทางานหรือยัง <c oughs> ก็ดูว่าเออเนี่ยเอาจากขู่เป็นต้นมาทําปริญญาแค่ไหนแล้วนั่นคืองานของเราเนี่ยนะงานก็คือกิจในอริยศาสตร์เนี่ยนะคือได้กําหนดรู้อะไรบ้างแล้วได้ทําปริญญาอะไรบ้างแล้ว ได้ละอะไรบ้างแล้วได้ทํมาให้แจ้งอะไรบ้างแล้วได้เจริญอะไรบ้างแล้วตัวนั้นเนี่คือตัวงานเนี่ยนะถ้างานเหล่านี้ไม่เสร็จอะ่ะก็มันก็คั่มก็จะคั่มอยู่แล้วนะงานก็ยังทำไม่เต็มนะเนี่ยเดือดร้อนอะละแขกหลายหายคนตอนนี้ก็เริ่มเดือดร้อนนะใช่ไหมเวลามันก็จะอะไรก็ได้นะมืดก็จะเริ่มมืดงานก็ยังไม่เต็จนี่เดือดแล้วครนาดนี้นั <laughs> ่งเร่งกันหน้าดูเลยนะครับธรรมสถารถามผู้อาจารย์ค่ะส่วนใหญ่ที่ท่านแสดงอ่า มชิมาปฏิปทาหรือว่าอันนี้นี่ถ้าจะแสดงเป็นว่าของพวกพระภิกษุหรือพวกนักบวชนอกศาสนาซึ่งเราก็พอจะจินตนาการออกได้อย่างเช่นเขาทรมานตัวเองพวกโยคีอะไรงนี้แล้วเราก็มาเทียบกับทางสายกลางคือข้อปฏิบัติของพระภิกษุเราแต่ว่าอย่างพวกเรานี่ในฐานะที่เราเป็นคลาราวาต์อยู่อาศัยคลองเรือนอยู่อย่างนี้นี่แล้วเราก็จเจริญใจศีรษะแล้วเราก็ กำหนดรู้ทุกข์หัดทมปริญญานี้ยังไงถึงจะเป็นอัตอต <c oughs> กัอิอรอะไรจะเป็นการมสุขาริการนิโยกอย่างเรามาศึกษากันในโรงแรมห้าดาวอย่างนี้เป็น <c oughs> <c oughs> แล้วยังไงถึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทานี้รู้สึกว่าก็โยมก็ถูกถามเรื่อยเลยว่าพวกเราเป็นยังไงนะ อ่ามัชิมาปฏิปทาซึ่งแต่ก่อนนุก็ตอบง่ายๆก็แ ล, ล้วก็รู้สภาพธรรมะและตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าเ อ, า จ, ะเอาจะเอออจะเายัางไงกันแน่คือโดยที่สุดนะโดยที่สุดว่าบริโภคอาหารด้วยความอร่อยอร่อยนั่นแหละคือการมสุขัลริการุโยคลักษณะนั้นแหละลักษณะของการมสุขาลิการุโย ก, ก, ยกอกัากากอตากิรมฐานุโยกละ่ะก็คือกินยากยากนัน่นแหละนะ พวกกินยากทั้งหลายแหล่นั่นะเป็นลักษณะอัตตากรากกมรรมนโยส่วนมัชชิมาปฏิปทาคืออะไรเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญากินยากยากนี่พวกมังสวิรัตนี่รวมอยู่ด้วยหรือเปล่าคะ <c oughs> ก็ไม่ทราบนะของมาก็ของใครก็ของใครละเพราะว่าแต่ก็มีโยมที่ก็บอกว่าเออบริโภคมังสวิรัตจะได้ไม่เบียดเบียนสัตว์คือคํานี้ก็ไม่ใช่เป็นคําสมัยใหม่เขาโปรโมทเพื่อจะให้คนในหันไปกินมังสวิรัตแต่จริงถ้ากล่าวถึงการเบียดเบียนสัตว์เนี่ยนะ คือมันพูดยากมากๆถ้าพูดตามธรรมะเนี่ยที่เราบริโภคเนื้อสัตว์หรือไม่เป็นเนื้อสัตว์ถ้าโดยปรมามัดจริงๆมันอยู่ที่ไหนคือชีวิตตินรีถ้าสิ่งนั้นยังมีชีวิตตินรีจึงเรียกว่าเป็นเป็นสัตว์ถ้าไม่ใช่ชีวิตตินรียก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัวเศษจริงๆไม่ได้อยู่ที่นั่นก็ตามอามะคันทสูตรนั่นแหละเรื่องสูตรว่าด้วยกลิ่นดิบ แต่ทีนี้ก็อย่างว่าผู้ใดบริโภคสิ่งใดแล้วสัพพายะ ก, ก็บริโภคสิ่งนั้นตายเราก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่คําสอนก็คือไม่ใช่คําสอนมันเราก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นสาระอันให ญ, ญ่แต่ส่วนที่สําคัญเนี่ยนะมัชชิป ก, การมัศุขคเลกาโนโยคโดยที่สุดพระพิสูจน์ที่บริโภคปัจใจสี่แล้วไม่ปัจจเวกนั่นแหละเป็นก า, ขขาการมัศุขคเลกาโนโยคเห็นไหมลักษณะนั้นถ้ า, าตากิร่ามัฐานุโยกล่ะ พระพุเจ้าอนุญาตปัจจัยสี่แล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมใช้ปัจจัยสี่เนี่ยนะลักษณะนั้นแหละเป็นอั ต, ตากิรธมฐานุโยคทีนี้ในขณะเดียวกันสําคัญที่สุดเนี่ยแล้วพระองค์อนุญาตเกี่ยวกับปัจจัยสีเนี่ยลักษณะใดก็ให้พิจารณาให้ปัจจเวกเป็นต้นนั่นเองอันข้อปฏิบัติสายกลางเนี่ยถ้าขึ้นตรงจริงว่าตรงๆคือสัมมาทิฐิถ้าขาดสัมมาทิฏฐิเมื่อใดไม่ตกอันหนึ่งก็ตกอันหนึ่งจนได้ตกขอบจนได้แหละ เพราะตัวสั ม, มาทิฏิคืออะไรคือความรู้ในเบื้องต้นเลยกรรมสกตามีไห้ก็สองวิปัสสนาสั ม, มาธิฏฐิมีไหมฌานสั ม, มาธิฏฐิมีไหมก็เป็นไปตามนั้นหรือกู้สรวิตกอย่างไรในในการใช้ใช้เข้าของสิ่งเหล่านั้นอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยถามว่าเป็นการมสุขคณาลิกานุโยกไหมถ้ากิเลสเกิดไม่เรียกการมสุขคณาลิกานุโยคจะเรียกอะไรเนี่ยนะถ้ากิเลสเกิดนะเช่น อมีความสุขกับการใส่เสื้ออย่างไรไงก็ถือว่ามีความสุขกับบริโภควัตถุ ก, กรรมะนะมีความสุขกับการปรงุงเปรย์ภาษาสัมผัสทั้งห้าแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าโอ้เนี่ยหน้าหนาวก็เลยไปตักน้ําค้างเลยจะได้ป่วยทันทีอย่างไรก็ไม่ใช่ทเรว่าความพอดีเนี่ยพงทางธรรมะเนี่ยถืออะไรสัมปชัญญะสี่ในฐานาะเจ็ดตรงนั้นเป็นประมาณตรงนั้นแหละเป็นมัชชีมาปฏิปทา สัมปชัญญะสี่ในฐานะเจ็ดคือผมกําลังคิดว่าอยากจะเอาไปประกอบที่ผมตั้งใจว่าจะเขียนเรื่องปริญญานี่นะครับก็นึกว่าถ้าอาจเอาไว้ก็ดีเพราะว่าจะเอาไปประกอบด้วยคิดเพราะว่าตั้งใจมาอินเดียตั้งใจจะเขียนเรื่องนี้ก็อยากจะได้เอาไปประกอบแต่เสียดายนะสิทธิ์ที่ได้เรียนมาแล้วมีความเข้าใจยังไงใช่ไหมจะได้รู้ว่าเออนี่นะท่านทั้งหลายนี่เข้าใจนะจะได้ทําให้เกิดปิติว่าเออเราก็เข้าใจ ก็ไม่เป็นไรถ้าว่าพรุ่งนี้จะคุยกันยังไงก็ก็คุยกันใหม่ก็ได้วันไหนก็ได้แต่ก็ดีเหมือนกันนะคือท่านจริงจริงคุยในเวลาที่ปกติหนูก็ดีนะเพราะว่าเพราะว่าสมาธิมันมันจะได้มีมากขึ้นจะพิ่งเลยครับเพราะว่ายังยังเขินอยู่เลยครับ mm hmm. ก็อยากถามเรื่องสัจจยานนะกิจจยานแล้วก็กัตยานนี่นะฮะสําหรับสัจจยานนะครับครับ กิจยานเนี่ยระหว่างยานสองยานนี้เนี่ยขอบเขตเป็นอย่างไรนะครับส่วนกัตยานก็ไม่สงสัยที่เป็นเรื่องของปัจเจกเนี่ยครับแต่ว่ากิจจยานกับกัตยานเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการทําปริญญานะในขอบเขตตรงไหนตรงเนี้ยเพื่อว่าเราจะไปเขียนได้บางถ้ากล่าวตามสัตยานเนีสั ต, ย า, ย, สตยานนี้แบ่งออกเป็นสองพวกเป็นสองกลมใหญ่คือหนึ่ง อนุโพธยานสองก็ปฏิเวทยานอนุโพธยานเนี่ยเริ่มตั้งแต่ฟังอริยสัจก่อนก็เหมือนกับกีตาคิดิสูตจนั่นแหละเมื่อเข้าไปหาก็นั่งใกล้เมื่องั่งใกล้ก็เงี่ยโสดลงฟังลักษณะเหมือนกับพระอญญากุลัญญาเนี่ยนะท่านเงี่ยโสดลงฟังท่านฟังอริยสัจอันนั้นแหละเป็นสัจยานของท่านท่านฟังแล้วเมื่อท่านฟัง เป็นสัจจยานที่เป็นอนุโพธยานเริ่มตั้งแต่ฟังเมื่อท่านฟังท่านก็พิจารณาอริยสัจการพิจารณาอริยสัจก็ตามลําดับญาณนะทั้งหลายก็พิจารณาจนโสดาปติมัคเกิดขึ้นอันนั้นแหละเป็นปฏิเวทยานเนี่ยคือสัจจยานนี่แบ่งทั้งอนุโพธยานกับปฏิเวทยานถึงขณะบรรลุขณะนั้นก็ยังเรียกว่าเป็นสัจจยานก็เป็นการแทงตลอดสัจจะ ทีนี้การแทงตลอดสัจจะนี่แทงตลอดยังไงก็แทงตลอดตามกิจเช่นกิจของทุก์ก็คือปริญญากิจกิจของสมุทัยก็ทหาหนะกิจกิจของนิโรธก็สัจฉิกิริยากิจของมรุ ก, ก็คือภาวนาอันนี้ก็เป็นกิจจยานในขณะโลกุตระถ้าตามความเข้าใจของตอังมานั้นกิจยานเนี่ยคือขณะโลกุตระ ถ้าก่อนหน้านั้นก็เป็นสัจจยานคือก่อนที่จะบรรลุโลกุตระธรรมคือตอนที่ทําปริญญาในขณะวิปัสนาทั้งหลายก็เป็นเป็นสัจจยานที่เป็นอนุโพธยานในขณะที่เจริญวิปัสนาเพราะในขณะที่บรรลุนะั้นอ่ะปฏิเวทยานของสัจจยานนั่นแหละคือปฏิเวดด้วยกิจกิจของแต่ละอย่างนี่เป็นยังไง ถืออากิจในขณะที่บริบูรณ์พอกะตายากะตายานกตายานก็คือปัจเจกขณะายานกะตะยานก็คือปัจเจกขณะายานนั่นเองเพันสัจจยานกิจยานกะตะยานเนี่ยก็ต้องแบ่งว่าระดับโสดาปฏิมักสัจจยานกิจยานกตายานระดับสกะทาคามีมักก็คือคูณ4ี่นะคูณมักสี่ครั้งหนึง่งพันปริวัตรสามอาการสิบสองคูณมักสี่คูณมักสี่จึงจะเรียกว่าเสร็จกิจนะที่เรียกว่ากิจสิบห พราะเกี่ยวกับเรื่องกิจจยานตัวนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากิจสิหกเนี่ยโดยเฉพาะกิจจยานตรงเนี้ยแบ่งเป็นกิจสิบหกเสียดายนะไม่ใช่ที่บ้านคุณหลานอย่างนี้เลยเลยไม่มีที่เขียนอะไรพูดถึงว่าสัจจยานนี่นะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นถูกไหมครับต้นตั้งแต่ฟังถูกไหมครับจนจะทั่งถึงโคตรภูสิครับถ้าอย่างนั้นก็เป็นสัจจยานถ้ากล่าวตามคัมภีรก็คือสัจจยานนี่จนถึงโล ก, กุตระ เขีโลกรุตล<ช>ะยังไงยังไม่<ช>จะเข<ช>ียนให้ดูนะนะเอาไงลองมาดูกันนะจะเขียนให้ดูนะคนข้างหลังก็ฟังเสียงเอาก็แล้วกันฟังให้เป็นภาพ<อ>คือพูดถึงสัจจยานสัจจยานนี่คือระดับไหนยานตั้งแต่เริ่มขึ้นต้นด้วยฟังนะ<อ>พอเมื่อมีการฟังก็คือฟังอริยสัจ<อ>พอฟังแล้วก็เริ่มพิจารณาพิจารณาจนบรรลุ เรียกว่าปฏิเวทญาณสัจญาณ น, นี่แบ่งเป็นอะไรนะอนุโพธญาณกับปฏิเวทญาณเจริญอย่างนี้จนได้ปฏิเวทญาณในขณะปฏิเวทญาณเกิดขึ้นขณะนั้นน่ะเป็นการทำกิจญาณทีนี้กิจญาณตรงนี้เนี่ยก็แบ่งเป็นอะไรเป็นปริญญากิจปานากิจอะไรสัจิกิริยากิจภาวนากิจเรียกว่าภาวนากิจ ภาวนากิจเหล่านี้เนี่ยระดับไหนกิจตัว น, าานี้ระดับโสดาปฏิมัติก็คือปฏิเวทยา น, นั่นแหละพอโสดาปฏิมัติเกิดขึ้นก็เกิดกัตตาญาณปั จ, จเวคขณะญาณห้าถ้าหากว่าตามความเข้าใจนี่เป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นนะฮะใ น, น, นระหว่างั้จฟัแลพิจารณานี่นะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็เป็นสัจจญาณแต่ก็ยังไม่เรียกว่ากิจญาณอะไร เพรากิตยาเนี่ยจะสมบูรณ์ต่อเมื่อโสดาปฏิมักเกิดมมสมบูรณ์ระดับโสดาปฏิมักสมมุมมมมติว่าฟังแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วนี่ครับแล้วก็ทําปริญญากิจพิจารณาทุกขสัตว์เนี่ยทําปริญญากิจทําปริญญากิดเหมือนกันนะฮ ะ, ะในทุกขสัตว์เนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยแต่ก็ทําทอยู่เนี่ยคถ้านะถ้าดูตามลักษณะของเนื้อหาที่วางไว้นี่ เลือกอนุโพธยานอยู่เป็นการตามรู้ตามความเป็นจริงคือยังไม่เรียกว่าทำกิจแท้จริงเพราะถ้าขณะที่ทํากิจเนี่ยโดยเฉพาะกิจยานเนี่ยต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าดูตามนี้นะต้องขณะมีนิพพานเป็นอารมณ์จริงจะชื่อว่าทํากิจแท้จริงเพราะว่าอย่างว่าโสดาปติมภะเกิดขึ้นเนี่ยกำหนดรู้ทุกโดยกิจละสมุทัยโดยกิจทํานิโรธให้แจ้งโดยอารมณ์ขณะนั้นน่ยเป็นภาวนากิจ แต่ถ้าก่อนหน้านี้มาเนี่ยเป็นลักษณะของอนุโพธยานเป็นยานที่ตามเรียนรู้ซึ่งสัจญาณ น, นี้ก็อย่างขึ้นต้นจนถึงระดับปฏิเวทไอ้ปฏิเวทนี่แหละจึงเป็นการทํากิจถ้าทํากิจแทงตลอดโสดาปฏิมักเกิดโสดาปฏิผลก็เกิดก็เกิดกตตาญาณเนี่ยกตตาญาณก็คือปัจเจกขณะญาณห้าหนึ่งปัจเจกมักปัจเจกผลปัจเจกนิพานปัจเจกกิเลสที่ละแล้วและกิเลสที่เหลื อ, ก, ลลอก็เป็นเนี่ย ซึ่งถ้ากล่าวนะกิจจยานเนี่ยถ้ารวบเยอยคือกิจสิบหกกัตตกัตาญเนี่ยคือปัจเวคขณะญาณสิบเก้าพวกสัจยานเนี่ยนะก็ระดับของโสดาปฏิมัติก็ขึ้นมาเป็นระดับสกทาคามีระดับอนาคามีระดับผ้ารหานันย